เมื่อสองสมวันก่อนก็มีคนโพสต์ภาพผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งกินอาหารในร้านใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็สวมเสื้อยืดสีแดงเขาก็ถ่ายรูปโพสต์ขึ้นเฟซบุ๊กนะแล้วก็พูดว่าคนนี้นี่ไม่มีผลจิตหัวใจอยาง ไม่มีพิตจัอใจหรือไงนะใส่เสื้อสีแดงสดนะมากินอาหารนอกบ้านนะแล้วก็พูดตำหนิหลายอย่างนะว่าไม่มีความสำนึกในบุญคุณนะของในหลวงแล้วก็ลงท้ายว่าเป็นคนที่น่าสงสารนะคนในภาพเนี่ยน่าสงสารที่ไม่มีบุญที่จะจงรักภักดี นะคนที่ดีที่สุดของแผ่นดินนะก็คงมีคนเขียนไปด่าผู้ชายคนที่อีกหลายอีกมากมายนะไม่นานต่อมาผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคนที่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยแกก็ก็โพสต์ข้อความบอกว่าพี่ผิดไปแล้วครับนะพี่เพิ่ง ใส่เสื้อสีแดงพี่แค่ออกใส่เสื้อสีแดงออกไปกินอาหารที่ปากซอย <c oughs> วันนี้ทั้งวันเนี่ยได้ไปรับเสด็จนะที่สนามหลวงแดดมันร้อนมากนะกลับถึงบ้านก็เหนื่อยนะหิวมากเลยนะก็เลยถึงบ้านก็รีบเปลี่ยนเสื้อนะ <c oughs> แล้วก็บอกว่ า, อาขอให้พี่ได้เมตตาขอให้สงสารเมตตาพี่นะ ขอให้เมตตาสงสารคนแก่แล้วก็อชนีน้อยด้วยนชนีน้อยคงหมายถึงแฟนเนี่ยแล้วก็โพสต์โพสรูปนะรูปที่ตัวเองเนี่ยไปไปรับเสด็จที่ไปส่งเสด็จนะที่ที่สนามหลวงนะฉากหลังก็เป็นพระบรมราชวังแล้วก็ใส่เสื้อสีดำเพื่อเป็นการยืนยันว่าเนี่ยไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะก็ไป ถวายความเคารพพระบรมศพมาไม่ใช่ว่าจะขาดความจงรักภักดีอะไรเลย น, นี่กน็น่าชื่นชมนะตรงที่ว่าเขาก็ไม่ได้โกรธนะไม่ได้แสดงอาการโกรธคนที่เขียนข้อความประนามโจมตีเขานะซึ่งมันเป็นที่สาธารณะมากก็เพียงแต่ยอมรับว่าพี่ผิดไปแล้วครับนะแล้วก็ขอให้เมตตาสงสารพี่สงสารคนชารา แล้วก็ช น, นีเจเจอะไรด้วยนะคือเขาก็อายุไม่มากนะก็รับได้แต่ก็จะว่าคนที่โพสไปด่านี่คงจะอายุน้อยกว่าเขาไม่กี่ชั่วโมงต่อมานะคนที่โพสข้อความที่ด่าประจานเขาเนี่ยก็เขียนข้อความกลับมาว่าลงในเฟซบ o o กนะบอกว่าขอโทษนะผมขอโทษด้วยความจริงใจนะที่กระทําการขาดสติ และก่อให้ความเกิดความเสียหายนะกับบุคคลในภาพนะองค์กรเขาบอกเขาผมก็พยายามติดต่อบุคคลในภาพอยู่เพื่อที่ได้กราบขอโทษนะที่ได้ทำสิ่งที่ขาดสติแล้วก็รับปากว่าต่อไปนี้ไปนี้ผมจะตั้งสติให้ดีแล้วก็จะไม่ทำแบบนี้อีกนะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสักสสามวันก่อนนะ แล้วมันก็คงไม่ใช่เป็นเหตุการณ์เดียวนะคงตอาที่ฟังดูก็มีเหตุการณ์ทำนองเนี้คนเห็นใครบางคนที่ไม่แสดงความเศร้าโศกเหมือนกับตัวเองเช่นไม่ใส่ชุดดำไม่ใส่เสื้อดำนะก็จะตำหนิต่อว่าหรือใครที่ไม่เปลี่ยนภาพโปรโฟไฟล์เป็นสีดำนะ ก็ไปโพสต์ต่อว่านะล่าสุดก็มีเรื่องมีคนเขียนนะว่าเมื่อเช้าตรูเนี่ยเมื่อวันสองวันเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยจู่ๆแกก็ตะโกนข้ามฟากมาเลยนะในหลวงสวรรค์ระคดนะพวกมึงยังใส่เสื้อสีส้มสดมากันเชียวมากันตั้งแต่เช้าเือเชียวหรือสักพักก็มีเสียงตะโกนข้ามกลับมาว่า ใจเย็นๆโยมจีวรสีดามันหายากนะกลับบ้านไปได้แล้วนะมันเช้าแล้วเนี่ยจะได้สั่งเมาอันนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องเรื่องล้อเล่นนะไม่ใช่เรื่องจริงนะเพราะว่าถ้าเป็นไงก็คงแย่แล้วแหละนะเ พ, พราะพระก็โดนด้วยนะแต่ว่ามันก็ถ้ามองถือว่าเป็นเรื่องล้อเล่นมันก็แสดงให้เห็นนะว่าคนเราอาจจะซ่อนความจริงที่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคนเราอ่ เริ่มจะมีการจ้องฉับปิดกันนะซึ่งมันก็ยิ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้กับผู้คนตอนนี้ทามาเชื่อว่าคนทั้งชาตินะกำลังมีความเศร้าโศกนะอะไรเอาวอนแต่ที้แต่ละคนเนี่ยก็เศร้าโศกไม่เหมือนกันและการแสดงความเศร้าโศกก็แตกต่างกันไปนะอย่างที่ยกตัวอย่างว่าเวลา ครอบครัวหนึ่งสูญเสียพ่อแม่เนี่ยลูกแต่ละคนก็แสดงความเศร้าโศกแตกต่างกันบางคนก็เศร้าโศกจกนกระทั่งไม่เป็นอันทําอะไรจมเจ้าอยู่ในบ้านข้าวก็ไม่กินนอนก็ไม่หลับแต่พี่น้องบางคนก็ยังไปทํางานได้ก็ไม่ได้แปลว่าพี่น้องที่ไปทํางานได้นี่เขาไม่รักพ่อหรือเขาไม่สูญเสียไม่รู้สึกเสียใจที่พ่อแม่ตายนะเพียงแต่ว่าเขา สกัดรู้จั ก, ก, จกสะกดกั้นอารมณ์ได้ก็มีความเศร้าโศกนะแต่ว่าทำใจได้แล้วก็ก็จจะมีวิธีการแสดงความเศร้าโศกแตกต่างกันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นคนอื่นเขาเศร้าโศกน้อยกว่าเราเนี่ยก็อย่าไปคิดว่าเขาไม่จงรักภักดีก็าอาจจะทำใจได้มากขึ้นแล้วก็ได้อาจจะร้องหมร้องไห้ไปพักใหญ่แล้วแล้วก็ทำใจได้ หรือว่าเห็นคนบางคนนี่เขาแต่งตัวไม่ถูกต้องตามประเพณีในความเข้าใจของเราเช่นไม่สวมชุดดำนะก็อย่าพึ่งไปด่วนตัดสินเขานะว่าเขาเพราะความีมีเหตุผลก็ได้อย่างผู้ชายคนที่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยนะเขาก็คงมีเสื้อสีดำไม่มากนะแล้วก็อุตส่าห์ไปส่งเสด็จทั้งวันนะเหนื่อย ถึงบ้านนี่ก็เรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่เสื้อยืดมากินข้าวคงไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าอาหารร้านอาหารมันก็เป็นร้านอยู่ปากซอยนะการที่เขาใส่เสื้อสีอแดงไม่ได้ม่ได้แปบลบว่าเขาไม่จงรักภักดีนะแต่เขาจะมีเหตุนะนั่นอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะว่าเขาทําอะไรไม่เหมือนเราเนี่ยหรือไม่เป็นไปตามแบบแผนประเพณีแสดงว่าเขาไม่จงรักภักดีหลายคนก็ พูดนะว่าตอนนี้เสื้อสีดําหายากมากเลยแต่ก่อนเสื้อสีดำเนี่ยเสื้อยืดเนี่ยตัวละร้อยตอนนี้ในตลาดเนี่ยเพิ่มเป็นสามร้อยเข้าไปแล้วก็ไม่รู้เป็นเพราะว่าของมันมีน้อยขาดตลาดคนต้องการเยอะหรือเพราะว่ามีการโชวโอกาสโกงราคาบางคนก็บอก ว, ว่าเนี่ยมีเงินเหลือเก็บเดือนเงินพันห้าเนี่ยเสื้อตัวละสามร้อยนี่ก็ถ้าซื้อสามตัวมันก็เหลือแค่หกร้อยเท่านั้นเองนะ มันไม่พอนะเพราะว่าเสื้อตัวเดียวเขาคงไม่ใช้การไม่ได้ต้องหลายตัวนะถ้าจะใช้ตลอดทั้งปีหรือว่าจะใช้แค่อธิต์หนึง่งก็ต้องซักนะเขาก็เลยอุดทอนมาจนกระทั่งราชาการนี่ก็ต้องประกาศนะว่าใส่เสื้อสูภา้ก็ได้นะไม่ต้องใส่เสื้อสีดำก็แค่ให้มีริบบิ้นสีดาหรือแถบคาดสีดาก็พอแล้วก็คงจะช่วยทาให้การจ้องจับผิด หรือว่าการต่อว่าติดเตียนผู้คนลดน้อยลงที่จริงไม่ต้องรอให้ราัชาการออกประกาศนะก็น่าจะมีสามัญสำนึกนะว่าคนเราเนี่ยนะในยามที่ทุกเนี่ยต่างคนต่างก็เป็นเพื่อนทุ ก, กันเนี่ยอย่าไปอย่าไปพยายามเพิ่มความทุกข์ให้กับกันและกันด้วยการไปจ้องจับผิดด้วยการไปกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีหรือไงนะถึงไม่ ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้นะควรจะมีความเมตตาต่อกันนะเป็นเพื่อร่วมทุกกันแล้วก็อาตอมาเรียกว่าเป็นกัมพระเป็นกัมพระทั้งประเทศพร้อมกันแล้วเนี่ยเป็นกัมพระเหมือนกันแล้วก็ควรจะเห็นใจกันนะพยายามให้กำลังใจกันนะเห็นอะไรไม่ไม่ถูกไม่ถูกตาถูกใจก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งด่วนสรุปนะอย่างที่เขายกตัวอย่างเนี่ย ไอ้ขี้เมาเห็นพระมาบินธบานี่ก็ตะโกนด่าแล้วว่าไม่ใส่เสื้อสีดําหรือไงเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องล้อเล่นนะแต่ว่ามันก็ <c oughs> สะท้อนเห็นถึงนิสัยที่อาจจะด่วนสรุปไปหน่อยนะเห <c oughs> ็นอะไรที่มันไม่ไม่ถูกใจก็ใจก็เพิ่มขึ้นมาก็ดูใจของตัวก่อนนะมันมีความคิดอะไรขึ้นมา อยากจะด่าเจ้าว่าเขานะก็ให้รู้ทันรู้จักทักท้วงบ้างนะเพราะถ้าทำไปแล้วมันเสียหายนะอย่างผู้ชายคนที่โพสตอาชายใส่เสื้อสีสแดงเนี่ยนะเขาก็เสียใจนะเขาก็เสียใจภายหลังซึ่งก็น่าชื่นชมหนะ้าที่เขาทําผิดแล้วเนี่ยเขาเขารู้จักขอโทษต่อที่ต่อสาธารณะนะมันก็เสียหน้านะการขอโทษอย่างนั้นนะ่ะ แต่มันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแหละเพราะว่าไปไปด่าไปประจานเขางั้นเนี่ยเขาเสียหายมากนะอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะไม่ใช่บทเรียนเฉพาะผู้ชายคนนั้นนะเป็นบทเรียนคนทั่วไปด้วยว่าอย่าพึ่งด่วนตัดสินนะอย่าเพึ่งด่วนสรุปหรือถึงตัดสินไปแล้วนี่ก็อย่าพิ่งอย่าพึ่งผีพรามด่านะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้ด่าต่อหน้านะเราด่าผ่าน Facebook แล้วมันก็เกิดความเสียหายเพราะเป็นการประจานที่สาธารณะนะงนั้นสมัยนี้ต้องมีสติมากทีเดียวโดวยเพราะในเรื่องที่เกี่ยวกับในหลวงเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวนะเราพูดผิดมันก็เกิดความเสียหายกับคนที่เข า, าถูกต่อว่าก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เรานะพยายามมีความใจกว้างเอาไว้นะแล้วก็พยายามมีความเมตตานะให้นึกว่าใ ห, ให้คิดว่านะคนที่เขาอยู่รอบตัวเราหรือจะรู้จักหรือไม่รู้จักนี่เขาก็มีความเศร้าโศกอาจจะยิ่งกว่าเราด้วยซ้ำนะแต่ว่าเขาก็แสดงความเศร้าโศกไม่เหมือนเราหรือถึงเขาไม่เศร้าโศกก็ไม่ใช่ว่าแปลว่าเขาไม่จงรักภักดีนะเขาทำใจได้นะเขาก็เตรียมตัวเตรียมใจมานานนะ เขา ก, ก็พยายามที่จะละอับผักห้ามจิตใจอันนี้ใครที่เศร้าโศกนี่นะก็อย่างที่ธรรมาว่านะคืออย่าโม่แต่เศร้าซึมพยายามที่จะทําความดีทําสิ่งที่มีประโยชน์มันช่วยได้ตอนนี้ก็มีการรับจิตอาสานี่ไปช่วยทำเป็นประโยชน์นะที่สนามหลวงที่แถวรบอบๆพระบรมราชวัง แล้วก็มีจิตอาสามากมายไปช่วยนะเอาน้ําไป เ, าเก็บขยะบ้างเอาอาหารไปตั้งเอาเอาบุตอาหารไปไปตั้งมัง่งนะอันนี้ก็เป็นเครื่องเยียวยาความเศร้าโศกได้เป็นอย่างดีนะเพราะคนเราเนี่ยถ้าเรานึกถึงคนอื่นทําความดีแล้วเนี่ยความเศร้าโศกมันก็จะน้อยลงเมตตากรุณาและความปิีติมันจะมาแทนที่อ่าแล้วก็อ่าพุทธนินะอ่าอีกไม่กี่วันก็จะอ่า มีการทอดกรถิ่นที่นี่นะเราก็จะมีการสวดบทพิเศษนะบทสวดการเล่ที่ผ่านมาเราก็สวดอตอนเย็นเช้านะแต่ว่าช่วงนี้เราก็ตอนเย็นเราก็สวดพิธามกันเพราะนั้นเนี่ยจะลองสวดนะจะซ้อมสวดกันตอนเช้านีนะ่ทุกเช้านะจนกว่าจะถึงวันกรถิ่นนะให้ซ้อมเหมือนจริงเลยยถาวริวหาภูราปริปูเรนตีสาครัง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 สัตตุมัติภาวะวันตาไรโยสุขีธิภายุโกภาวะภิวัฒนสิริสนิจามุทาปัญญานนตารุามาวันธานอายุวนโสุขัง อาลังกาเลทาตันทิสาพันยาวัฏานโยวิตามาจาระกาเรนทินังอริยสุขภูติสุตติสุภปปสันนัมนาตาสวิบุลาหติทากินาเยตันธาอนุโมธาทิวยา วัจจังกัลโรติวานต์เตนัฐคินาอนตเตบิปุญญาสภากินตาสมะทเทอภะกิวัเนจินโนยานตาทินนงมหามผลักปุญญาณิปารโลกาสมาปาติทาโหติปานิสันติภาวตุสัพมังคารัง ผานตุสาภเทวตาสาภพุทธาพาเวนัสตาโสติภาวนตุเตภวตุสาภมาณคารังผานตุสาเทวตาสาภธรรมานุพาเวนัสตาโสติภาวนตุเตภวตุสาภมาณคารัง ขันตุสาภเทวตาสาภังคาโนอเวนัสตาโสติวาวันตุ